สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการกลเม็ดครัวไอเดียค่ะอยู่กับเอพานุมารหัตถบุญค่ะรับหน้าที่ดําเนินรายการกับสารพันเรื่องราวของห้องครัวนะคะการเข้าครัวก็ดีค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็รวมไปถึงการตกแต่งห้องครัวนะคะแล้วก็ชั่วโมงสุดท้ายก็คือเรื่องราวของ การทำความสะอาดห้องครัวหรือว่าการทำความสะอาดบ้านนั่นเองเทคนิคเคล็ดลับนะคเล็กๆน้อยๆที่เรานำมาฝากกันทุกๆสัปดาห์เลยค่ะพร้อมด้วยเพลงเพราะๆนะคะจากทีมงานวิทยุราชมงคลทัญบุรีนั่นเองซึ่งรายการของเราค่ะสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะ วันนี้นะคะเข้าสู่เรื่องราวของกลเม็ดครัวไอเดียของเรากันซึ่งเราจะเกลื่อนกันก่อนในช่วงนี้ค่ะอย่างในช่วงแรกนะคะกับกลเม็ดลุยเข้าครัวค่ะคุณผู้ฟังเอมีเทคนิคนะคะสำหรับการทอดเป็นเรื่องของการทอดมาฝากกันแต่ว่าจะทอดอะไรบ้างนั้นนะคะต้องติดตามกันในช่วงแรกของรายการะคะ่ะส่วนช่วงที่2และช่วงที่3ของรายการนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในช่วงนั้นๆเลยว่าเรามีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกันแน่นอนนะคะแต่ในช่วง ก่อนนะคะเราพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะเรื่องราวของกลเม็ดลุยเข้าครัวนั่นเองค่ะเพืงคั น, นหนึ่งแอบรักเธอเก็บงามความลับนั้น นก็ไม่เคยเปิดภายไปได้วยกลัวจะเสียใจจะเสียเธอปิดเบิงอยู่ตั้งนานและมันอัดอันใจยิ่งเราใกลชิดกันยิ่งวันไวถ้าศบ กลับหลบตาเธอ ก็เลยต้องยับยัง้งคอยชังใจปิดบังอยู่ตั้งนานและมันอัดอั้นใจ กลับเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกลเม็ดครัวไอเดียกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังกับเรื่องราวของกลเม็ดลุยเข้าครัวค่ะซึ่งในช่วงนี้เอเก่นถึงเรื่องราวของเคล็ดลับการทอดนะคะแล้วก็เราจะมานำเสนอนเรื่องราวของการทอดไก่ให้กรอบนอกนุ่มในกันค่ะซึ่งเคล็ดลับของการทอดไก่นี้นะคะให้ข้างในกรอบนะคะ ไม่ใส่สีให้ข้างนอกกรอบกรอบนอกนุ่มในนะคะไม่ยากเลยเพียงใช้เนื้อไก่ค่ะล้างนะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้งตํากระเทียมพริกไทยนะคะที่เป็นเม็ดเนี่ยให้เข้ากันใส่เกลือลงไปค่ะแล้วก็นําไปหมักกับเนื้อไก่นะคะอย่างน้อยเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นเนี่ยก็เรียงเนื้อไก่ที่หมักเรียบร้อยแล้วนะคะใส่จานนาไปานึ่งในลังนะคะถึงเวลาเนี่ยก็นำนะคะลงนึ่งให้ น้ำเนี่ยเดือดก่อนนะคะนึ่งจนพอพอแบบอว่าให้สุกนะคะไม่ต้องแบบว่าแข็งมากอะไรแบบนี้น ะ, ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยนำออกจากตัวซึ้งนะคะแล้วก็ปล่อยให้เย็นตัวลงค่ะพร้อมทั้งผึ่งให้แห้งนะคะนำไก่ไปคลุกกับแป้งสาลีค่ะหรือว่าจะใช้เป็นแป้งชุบ เขาเรียกว่านะแป้งชุบทอดใช่ไหมที่ขายกันทั่วไปก็ได้คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะจากนั้นเนี่ยก็ชุบด้วยไข่ไก่ที่ตีเข้ากันแล้วนำไปคลุก เกรดขนมปังค่ะแล้วก็นําไปทอดนะคะในน้ํามันร้อนจัดเนี่ยด้วยไฟปานกลางนะคะแล้วก็ เ, เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องตั้งน้ํามันเนี่ยให้ร้อนก่อนเราค่อยลดไฟลงเล็กน้อยนะคะหากใช้ไฟแรงตลอดเนี่ยเกรดขนมปังอาจจะไหม้ก่อนได้พอเกรดขนมปังสุกเรียบร้อยแล้วนะคะจึงช้อนขึ้นให้แล้วก็พักให้เสด็จน้ํามันนะคะเท่านี้เนี่ย ไก่ที่เราได้เนี่ยนะคะไ ก, ไก่ทอดเนี่ยก็จะเป็นไก่ทอดที่กรอบนอกนุ่มในแล้วล่ะค่ะอีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าไม่ชอบไก่ทอดแบบว่าชุบเกล็ดขนมปังทอดนะคะหลังจากที่นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยรอจนไก่เย็นตัวลงนะคะแล้วก็แห้งสนิทนะนำไปชุบกับ แป้งทอดกรอบนะคะก็เป็นเคล็ดลับที่สำคัญนะคะเวลาที่เราจะใช้แป้งทอดกรอบเนี่ยก็คือเวลาผสมแป้งกับน้าให้ใช้น้าเย็นนะคะผสมกับแป้งข้นพอให้แบบว่าชุบติดขึ้นมาแบบนี้ค่ะน ะ, ะแล้วก็ใช้ไก่เนี่ยจุ่มลงไปนะคะทอดในน้ํามันร้อนเชน่นกันก็จะได้ไก่ทอดที่กรอบนอกนุ่มในอีกแบบหนึ่งค่ะน ะ, ะมากันที่อีก หทอดกันบ้างน ะ, ะมอสักครู่นี้ไก่ทอดกันไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังทีนี้เรามาถึงทอดมันกุ้งกันบ้างนะคะเล่าวิธีการทําทอดมันกุ้งให้อร่อยนะคะหลายคนเนี่ยชอบนะโดยเฉพาะดิฉันเองค่ะคุณผู้ฟังหลายครั้งเลยที่เวลาที่เราไปทานร้านอาหารต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็เมนูนี้เนี่ยจะเป็นเมนูอีก1เมนูเลยที่ต้องสั่งทุกครั้งไปนะคะสำหรับเมนูทอดมันกุ้งนะคะก็เป็นอาหารยอดนิยมค่ะที่เราเนี่ยมักจะสั่งรับประทานการไปรับ ไปร้านอาหารแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็แอบมีรุ้นนะว่าจะทานทอดมันกุ้งเนี่ยอร่อยไหมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะคะบางทีก็เจอแบบอร่อยไม่ถูกปากแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่อร่อยถูกปากนะคะร่วนไปแฉะไปบ้างอมน้ำมันบ้างนะคะบางทีเนี่ยก็นึกว่าเอ้ยฉันกินอะไรอยู่นะซึ่งนี่แหละนะคะก็เลยนาวิธีนี้มาแนะนากัน อีกด้วยนะคะกับการทําทอดมันกุ้งให้อร่อยสิ่งแรกที่สําคัญมากเลยก็คือกุ้งเนี่ยต้องสดประมาณว่ายิ่งสดยิ่งอร่อยนะคะกุ้งแช่แข็งเอามาทําได้แต่ว่าก็ไม่อร่อยเท่ากับกุ้งสดที่ทําความสะอาดกุ้งแล้วนะคะพอเราทําความสะอาดกุ้งแล้วนะคะก็ให้แกะ เปลือกออกค่ะอย่าลืมนะคะผ่าหลังกุ้งเอาเส้นสีดําออกด้วยเนื้อกุ้งนะคะที่แกะออกมาแล้วเนี่ยไม่ควรนําไปล้างอีกเพราะจะทําให้ความหวานเนี่ยหายไปแล้วก็จะทําให้ทอดมันกุ้งที่ได้เนี่ยแฉะนั่นเองค่ะส่วนผสมที่ต้องผ่านการนวดนะคะสมัยก่อนในเวลาที่เราทําทอดมันกุ้งก็จะต้องนําเนื้อกุ้งเนี่ยแล้วก็เอามานวดให้เนียน แต่ถึงสมัยนี้เขาจะมีเครื่องบดผสมอาหารมาช่วยทุ่นแรงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบทความนะคะเขาก็บอกว่าการนวดก็ยังคงสําคัญอยู่เช่นเดียวกันค่ะหลังจากที่บดส่วนผสมนะคะด้วยเครื่องบดแล้วควรนําส่วนผสมนะคะใส่ในชามหรือว่ากะละมังที่ทําด้วยสแตนเลสนะคะจะยิ่งดีเลยนวดส่วนผสมนะคะให้เข้ากาันแล้วก็เสร็จแล้วปิดฝานะคะนำไปแช่ไว้ในช่องแช่แข็งสักประมาณ15นาทีค่ะแล้วก็นําออกมานวดอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อย มาปั้นทอดนั่นเองก่อนจะทอดจริงค่ะควรจะปั้นลงไปทดลองทอดนะแล้วก็นำมาชิมก่อนเพื่อว่ารสชาติเนี่ยนะคะไม่ดีพอจะได้มีการปรุงเพิ่มก่อนได้มีจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งค่ะอาหารประเภททอดมันเนี่ยนะคะเครื่องปรุงเนี่ยมักจะไม่ใช่ ที่เป็นน้ำเพราะจะทําให้ส่วนผสมนั้นเหลวได้นั่นเองค่ะขนาดของชิ้นทอดมันกุ้งเนะคะเวลาที่ทอดเนี่ยก็มีความสําคัญเช่นกันอย่าปั้นจนหนาเกินไปนะคะเพราะว่าจะทําให้เวลาทอดเราเนี่ยเกร็ดขนมปังไม่ได้แต่ว่าเนื้อกุ้งข้างในเนี่ยยังไม่สุกแล้วก็ควรจะเตรียมปั้นไว้หลายๆชิ้นนะคะก่อนเริ่มทอดไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะปั้นไม่ทันนั่นเอง อุณหภูมิของน้ำมันในขณะทอดก็มีความสำคัญค่ะถ้าน้ำมันร้อนน้อยเกินไปนะคะทอดมันกุ้งเนี่ยก็จะอมน้ำมันถ้าร้อนจัดจนเกินไปเกล็ดขนมปังก็อาจจะไหม้ได้ก่อนที่เราจะใส่ทอดมันชิ้นแรกลงไปทอดเนี่ยนะคะลองหยิบเศษขนมปังนะกลุกกับไข่นะคะกับแป้งแบบนี้นะแล้วก็ที่เหลือที่ติดอยู่ในถ้วยก็ได้ค่ะใส่ลงไปในน้ำมันก่อนนะคะถ้า ชิ้นขนมปังเนี่ยโดนน้ำมันแล้วยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยแสดงว่าน้ำมันนั้นยังไม่ร้อนพอนะคะถ้าใส่ลงไปแล้วเดือดเป็นฟองลอยขึ้นมานั้นแสดงว่าน้ำมันนั้นร้อนได้ที่แล้วแต่ถ้าน้ำมันนั้นมีควันลอยขึ้นมานะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าร้อนเกินไปแล้วล่ะคะ่ะ พอทอดมันกุ้งมีสีเหลืองทองนะคะน่ารับประทานแล้วเนี่ยก็ทยอยตักขึ้นเสด็ดน้ำมันจัดวางใส่จานให้สวยงามนะคะที่สำคัญเนี่ยทานตอนอุ่นๆนะอร่อยอย่าบอกใครเลยทีเดียวค่ะนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเทคนิคเล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ในเรื่องราวของการทอดนั่นเองต้องขอขอบคุณที่มาด้วยนะคะข้อมูลดีๆจาก w w w t o ูปลูกปัญญา .com ค่ะ ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังเราจะกลับมาติดตามเรื่องราวของการตกแต่งห้องครัวนะคะซึ่งวันนี้เอมี6ไอเดียค่ะตกแต่งห้องครัวที่จะทำให้ห้องครัวนั้นกว้างขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะคะ ฉันต้องรอว่าเธอเองจะเลือกรึงใครอย่าบังคับให้ฉันเข้าใจนะทนทุกอย่างอย่าบังคับให้ฉันแย่งชิงสิ่งที่เป็นของฉันมานานแต่วันนี้ฉันรู้ทุกอย่างไี่มี แลวรักมานานเกินไปยังรักเท่าไรยังอยากยอมแพ้ฉันขออย่างดีให้เขาจริงใจดูแลอย่างที่ฉันได้ทำเพื่อเธอเสมอฝากความยินดี บอกเขาให้เขาได้ฟังฉันขอเป็นฝฟนลีถังได้ไหมฝากความยินดีกับเธอสองคนไม่ใช่ฉันคงทำใจได้ฉันยินดีจะไปฉันเต็มใจเพื่ บอกกับเขาว่าเขาโชคดีที่เป็นคนชนะใจใเธอบอกกับเขาว่าฉันรักเธอมากมายเท่าไหร่ จริงใจจากฉันว่าเธอเองมีค่าเพียงใดอยากให้เขาได้รักรู้สึกกับเธออย่างฉัน ดีให้เขาจริงใจดูแลอย่างที่ฉันได้ทำเพื่อเธอเสมอฝากความยินดีกับคนของเธอบอกเขาให้เขาได้ฟังฉันขอเป็นไฟ a h e กลับเข้ามาสู่ช่วงนี้นะคะช่วงที่2ของรายการกลเมคครัวไอเดียกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังกับเรื่องราวของการตกแต่งห้องครัวนะคะในช่วงของกลเมคเกรดเสริมครัวนั่นเองวันนี้เมี6ไอเดียตกแต่งห้องครัวค่ะที่จะทําให้ห้องครัวเล็กๆนั้นกว้างขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะคะกับเรื่องราวนี้ค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะจาก i o b a ว่ in. th ค่ะกับเรื่องราวของการดีไซน์นะคะการตกแต่งนั่นเองเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะกับ6กไอ ไอเดียนะคะตกแต่งห้องครัวซึ่งในปัจจุบันค่ะบ้านเนี่ยนะคะมีขนาดเล็กลงเลยทําให้ห้องครัวเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยน้อยลงไปด้วยครัวเป็นพื้นที่สําคัญมากๆของบ้านนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขและก็สุขภาพที่ดีของทุกๆคนในบ้านเราจึงละเลยไม่ได้เลยนะคะแม้จะเป็นบ้านเล็กๆนะแต่ก็ต้องมีคุณภาพค่ะวันนี้ก็เลยมีไอเดียนะคะที่จะทําให้พื้นที่ห้องครัวเล็กๆ เ, เนี่ยดูดีแล้วก็ไม่อึอดอดัดเป็นที่ที่ทุกคนในบ้านเนี่ยหลงรักแล้วก็อยากใช้ เวลาอยู่ด้วยกันนะคะในห้องครัวจะได้ไม่ตัดขาดออกจากบ้านแล้วก็เป็นศูนย์กลางนะคะของบ้านเป็นที่ที่ทุกคนในบ้านนะคะจะใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันให้มากที่สุด <c oughs> เริ่มกันที่ข้อแรกค่ะทำผนังให้เป็นกระดานดำสักนิดนะคะจะช่วยให้ห้องครัวนะคะดูเรียบนะ มีความน่าสนใจเรียบหรูนั่นเองเรายังได้ประโยชน์ด้วยนะคะไว้เขียนโนต้ตฝากข้อความถึงคนในครอบครัวก็คือด้านหนึ่งเนี่ยใช้เป็นกระดานดำนะคะทั้งด้านเลยนะคะเวลาใครมีโนต้ตอะไรฝากไว้เนี่ยก็สามารถที่จะไปเขียนนะคะไว้ที่ผนังได้ก็เหมือนเอากระดานดํามาติดไว้ที่ผนังนั่นแหละนะคะบวกไปถึงเรื่องของสูตรอาหารต่างๆนะหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเขียนไว้นะคะเวลาที่เราทําอาหารก็จะได้สะดวกนะแล้วก็มองเห็นชัดเจนค่ะต่อมานะคะข้อ สดึงคนในบ้านเนี่ยหรือว่าเพื่อนๆมาเที่ยวที่บ้านค่ะให้เขานะะี่ะมามีส่วนร่วมในกิจกรรมในครัวโดยมีที่นั่งแล้วก็โต๊ะสําหรับให้คนอื่นๆเนี่ยมามีส่วนร่วมจะทําให้การทําครัวสนุกมากขึ้นกลายเป็นจุดสําคัญของบ้านค่ะแม้จะเล็กๆน้อยๆ น, น, นะแต่ว่าก็อบอุ่นบ้านห ล, ลายๆหลังเนี่ยชอบแยกครัวไว้ตั้งหากนะคะเพราะว่ามีการแบ่งแยกปิดกัน้นน่าเสียดายโอกาสดีๆนะที่จะได้ทํากิจกรรมแบบว่าง่ายๆนะคะหรือว่ากิจกรรม แบบสังสรรนคะ์ร่วมกันนั่นเองนะคะ ต่อมาข้อที่3านะคะจัดระเบียบหาที่ทางให้ทุกสิ่งในครัวทั้งแขวนแล้วก็ชั้นวางค่ะคุณจะพบว่าห้องครัวนั้นจะเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยนะคะแล้วก็โล่งขึ้นทันตาเห็นนะคะจากหลายๆสัปดาห์แล้วที่เราเคยแนะนํากันไปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชั้นวางนะคะเอ่อราวแขวนต่างๆนะคะรวมไปถึงตู้ลิ้นชักแล้วก็ตู้ด้านบนด้วยที่เป็นที่เก็บของนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยเนี่ยการเก็บมีดนะคะเขียงก็คือเอ่อมีดเนี่ย ก็จะใช้เป็นแม่เหล็กนะคะที่ติดไว้กับผนังเวลาที่เราเนี่ยล้างเก็บทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้เอามีดเนี่ย แปะไว้ที่แม่เหล็กตัวนั้นได้นะคะแล้วก็มีอีกหลายจุดเหมือนกันที่สําคัญอย่างของกระจุกกระจิกเนี่ยเราอาจจะใส่ตะกร้านะหรือว่าใส่โหลเอาไว้นะคะแล้วก็เก็บเอาไว้ในตู้ก็จะทําให้ดูเป็นระเบียบแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยกว้างมากขึ้นอีกด้วยค่ะใช้ผนังให้คุ้มที่สุดนะคะจะได้จัดการกับความรกเราก็ยังดูเป็นแบบ wall art อะนะแบบว่าเก๋ๆได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ข้อที่4สร้างสีสันและเส้นสายถ้าพื้น เป็นกระเบื้องสลับสีกันอยู่แล้วก็ดีเลยค่ะไม่ใช่นั้นนะคะก็หาพรมสักผืนหนึ่งเนี่ยมาวางหรือว่าจะเป็นผ้าม่านตู้นะคะสีสันสดใสเข้ากับห้องครัวของคุณนะก็จะดูน่าสนใจแล้วก็มีเสน่ห์มากขึ้นไม่เชื่อก็ลองดูนะคะเป็นการที่เรามา Mix and m a t มทการตกแต่งห้องครัวนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรมผ้าม่านนะคะการปูพื้นปัวเปเปอร์ต่างๆนะก็จะทาให้ห้องครัวนั้นดูมี ชีวิตชีวานะคะมีความสดชื่นขึ้นมาได้นั่นเองค่ะต่อมาข้อที่ห้ากันบ้างนะคะสร้างแสงสว่างช่วยให้ครัวเล็กๆเนี่ย ดูกว้างขึ้นนั่นเองนะดูดีขึ้นจริงๆนะคะเพราะว่าห้องครัวเนี่ยอย่าปล่อยให้มืดทึบโดยเด็ดขาดค่ะการที่ห้องครัวของเรามีความสว่างนะคะจะทำให้ดูในเรื่องของทั้งความสะอาดนะคะแล้วก็เรื่องของพื้นที่ต่างๆด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยห้องไหนก็ตามที่มีความสว่างเนี่ยเราจะรู้สึกว่าห้องนั้นเนี่ยดูกว้างมากขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ มากขึ้นนะคะมีความชัดเจนในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยต่างๆด้วยค่ะและสุดท้ายข้อที่หกนะคะกับเทคนิคนี้เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์แบบมัลติเพอร์โพสค่ะทำประโยชน์ได้หลายๆอย่างนะคะถ้าพับเก็บได้เนี่ยก็จะยิ่งดีนะคะซึ่งลูกเล่นแบบนี้นะคะก็คือลูกเล่นของการที่เราเนี่ยสามารถที่จะ เ, เขาเรียกว่าเป็นการเก็บ นะคะก็คือพอเราจะใช้สอยเนี่ยเราก็ดึงออกมาได้นะคะแต่พอเราไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็เก็บพื้นที่ตรงนั้นไปนะคะก็เป็นการประยุกใช้ในห้องครัวได้ดีเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องราวของการทำความสะอาดเครื่องครัววันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นมีอะไรบ้างติดตามกันช่วงหน้าค่ะมองหาโรงงานผลิตและศูนย์ให้คาปรึกษาด้านสมุนไพรด้วยมืออาชีพราคา ย, ย่อมเยา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 กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกลเม็ดครัวไอเดียนะคะกับช่วงนี้เรื่องของการทําความสะอาดค่ะซึ่งเอหยิบยกในเรื่องของการทําความสะอาดเครื่องครัวนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันมีอะไรบ้างนะต้องไปติดตามนะคะอย่างข้อแรกนั้นก็คือถ้าเป็นแก้วนะคะแก้วพวกแก้วกาแฟอะไรก็ตามนะคะถ้าแก้วเนี่ยเป็นคราบนะคะล้างถ้วยแก้วให้สะอาดผึ่งจนแห้งค่ะแล้วก็ใช้ผ้าฝ้ายนะคะลงแป้งเช็ดถูถ้วยแก้วแล้ว ก็จะทำให้ดูเหมือนแก้วใสสะอาดขึ้นมาค่ะข้อที่2นะคะก็เป็นเรื่องราวของแก้วเจรไนเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแก้วเจรไนที่เป็นคราบให้ใช้แอมโมเนียค่ะผสมกับน้ำอุ่นนะคะ แอมโมเนียแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็ขัดถูไปแล้วก็ใช้เบกกิ้งโซดาขัดล้างอีกทีจะทำให้ดูมีความแวววาวขึ้นนั่นเองข้อที่3นะคะถ้ากาน้ำหรือว่าหม้อเนี่ยมีหินปูนเกาะนะคะให้ใส่น้ำส้มสายชูลงไปค่ะแช่ทิ้งไว้1คืนนะคะแล้วก็นำแปรงเล็กๆขามาขัดออกข้อที่4นะคะถ้ากาต้มน้ำหรือว่ากาต้มกาแฟเนี่ยมีคราบกาแฟติดแน่น ให้ใช้เกลือแล้วก็น้ำในปริมาณสูงค่ะเท่ากับระดับน้ำของกาแฟาที่ต้มนะคะนำไปต้มหรือว่าเสียบปลักจนน้ำเดือดก็จะช่วยขจัดคราบได้นั่นเองค่ะ ข้อที่5นะคะถ้ากาน้ำชามีคาบชาให้นำน้ำส้มสายชูค่ะต้มนะคะจนเดือดนำมาเทใส่ในกาน้ำชาทิ้งไว้1คืนค่ะแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าทำความสะอาดตามปกติเลยค่ะข้อที่6นะคะถ้ากระทะมีคาบไหมให้เติมน้ำยาล้างจานลงไปนะคะตั้งไฟให้เดือดนะคะกลุ่นๆเลยจนกว่าคาบของรอยไหมเนี่ยจะหลุดล่อนออกมานั่นเองค่ะต่อมาข้อที่7นะค ะ, ะ, คะถ้ากระทะ เคลือบเนี่ยสกรปรกค่ะให้ถูผิวนะคะด้วยเบกกิ้งโซดาแล้วก็ล้างด้วยฟองสบู่ที่ร้อนนะคะล้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เช็ดให้แห้งนั่นเองค่ะข้อที่8ดนะคะถ้าตู้เย็นมีคราบเหนียวให้หยดน้ำมันพืชลงบนกระดาษทิชชู่ค่ะแล้วก็ถูที่รอยเปื้อนนั้นนะคะจนสะอาดก็จะไม่ทำลายความเป็นเงาของตู้เย็นอีกด้วยค่ะ ข้อที่เนะคะถ้าตู้เย็นมีกลิ่นให้ใช้ฐานหุงข้าวค่ะ ว, วางไว้ในตู้เย็นนะคะหรือว่าใช้เบกกิ้งโซดาเนี่ยเทใส่ถุงแล้วเปิดปากถุงเอาไว้นะคะแล้วก็นำไปวางในตู้เย็นได้เช่นกัน ข้อที่10นะคะถ้าตู้เย็นมีคราบสกรปรกค่ะให้นำผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะแล้วก็บีบยาสีฟันใส่นำไปเช็ดคราบสกรปรกนะคะด้านในที่มีคราบอยู่นะแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะคะด้วยน้ำอุ่นแล้วก็เบกกิ้งโซดาเล็กน้อยจากนั้นนะคะหลังจากที่ล้างออกแล้วเนี่ยก็เช็ดให้แห้งนั่นเองค่ะข้อที่11นะคะถ้าเตาสกรปรกให้ใช้ผ้าชุบน้ำมันจัก เช็ดได้เลยค่ะนะคะข้อที่12อถ้าจานมีคราบมันนะคะให้ใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยเช็ดก่อนแล้วนำไปแช่ในน้ำร้อนเวลาล้างเนี่ยก็จะสะอาดมากขึ้นค่ะข้อที่13นะคะถ้าขวดแก้วสกระปกหรือว่ามีกลิ่นให้ใส่เกลือนะคะช้อนโต๊ะแล้วก็เทน้ำลงไปสักครึ่งขวดค่ะคนนะคะคนหาอะไรมาคนให้เกลือเนี่ยละลายทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็ใช้น้ายาล้างจานทาความสะอาดอีกครั้งหนึ่งค่ะ ข้อที่14นะคะถ้าขวดเกลือเนี่ยมีคราบเกลือติดแน่นนะคะให้ใช้น้ำมันมะกอกอ่ไว้ใส่เอาไว้ในขวดนะคะแล้วก็ทิ้งไว้หลายๆวันแล้วก็ค่อยทำความสะอาดค่ะ ข้อที่สิข้อสุดท้ายนะคะถ้าภาชนะที่ไม่ใช่โลหะมีรอยเหนียวจากป้ายราคาหรือว่าสกอตเทปให้ใช้สำลีนะคะชุบน้ำยาล้างเล็บเช็ดแต่ว่าห้ามใช้กับอุปกรณ์ที่เคลือบลคเกอร์ไว้ค่ะและนี่ก็คือ15ข้อนะคะสำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงท้ายรายการแบบนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังทั้ง3ช่วงของรายการนะคะอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวของสารพันในห้องครัวทั้งนั้นเลย เ, เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาติดตามกันต่อนะคะว่าเอานั้นจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะต้องลากันไปก่อนแล้วจริงๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติดชมรายการได้ที่ f a c e b o o k c o m s r a d i o 8 9 5 m g a h z สร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี